หลวงปู ER euh <c ười> <c ười> <c ười> right ่อนุโมตนาผู้สุนทรเิเษกนาโดยเยาพอท่านรู้กงกับนอกนั้นก็ก็เสินทรเกเษกนาโลกทองของท่านรู้ังกับท่านท่านเป็นหัว ท่านนะท่านเป็นพวกเพราะในสิ่งที่พวกเราควรจะดูพวกเรายังไม่ดนะูนะนินแตความีบางสิ่งบางอย่างควรจะดีขึ้นไปกว่านี้แต่พวกเราบางอันบางคนยังไม่ฟอง ทั้งความดูทั้งนิสัยความดีให้พวกเราทุกท่านทุกคนยอมรับว่ายังบอกคำหนึ่งจี่พวกเรารู้ในสิ่งที่พวกเรารู้แล้วอันนั้นไม่เสียหายสิ่งที่พวกเรายังไม่รู้นะมันยังมีอูอีกมาก สิ่งที่พวกเรารู้แล้วงานของพวกเราเป็นทำเป็นอันไหนทําถูกทำเป็นมรดกเด้วสิ่งที่ยังทําไม่ถูกทําไม่เป็นตรงนี้ให้ยอมนะก็ยังมีสิ่งที่พวกเราเข้าใจแล้วเียแล้วอันนั้นอะ่ะไม่ได้เสียอะไร สิ่งที่ยังไม่เข้าใจอันนั้นจะมีมากโดยจะพาะเน้นใจความดีส่วนความดีที่พวกเรามีน่นั่นไม่ได้เสียหายอะไรแต่พวกเราทุกท่านทุกคนยอมรับว่าความดีของพวกเรายับกความ ฉะนั้นการออกลมวันน <c oughs> ี้ขหลวงปู่มาให้ความเมตตามาช่วยทำหน้าที่สถาบันเดินพุทธศาสนาที่เป็นสถาบันหนึ่งของประเทศชาติของพวกเราสถาบันศ า, าสาาานาชาติศาสนาองค์พระมหาเจ้า เป็นสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์สมูลก็คือสีของชาสีแดงหมายถึงชาแทนติดเกิดสีขาวหมายถึงศาสนาโดยเฉพาะสนาพุทธสีน้นเงินหมายถึงองค์พมหาตระสะ องพระมหาเจ้าจักพ่อหลวงแม่หลวงศาสนาสถาบันทงางศาสนาเป็นร่มพอร่มใรให้ความสว่ร่มเย็นของประชาชนในประเทศทุกระดับการทุกหน้าที่การ้าทุกกระสวงทุกอง แต่ที่นี่การศึกษา <c oughs> เรื่องศ า, าสนาเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราทุกท่านทุกคนที่นั่งฟังอยู่ที่นี่อบรมอยู่นั่ ง, งอบรมอยู่ที่นี่หรือไม่นั่งฟังกา ร, รอบรมอยู่ที่นี่ยกนี้จะหมายีห้รู้สึกว่าเหินห่างพอตะวนหน้าวนหวงตรงนี้ <c oughs> หลักการของอประเทศชาติโค่นํำแต่ละยุคแต่ละสมัยมีหลักการให้พวกเราได้ศึกษาหลักการนั้นนะท่านโคตรว่าการพัฒนาการพัฒนาที่พวกเราได้ศึกษาได้เห็นในบาง ผลการพัฒนาก็คือพัฒนาสิ่งใดยังไม่เจริญให้มันเจริญไปสิ่งไหนยังมันไม่ดีการมันดีไปสิงไหนมันบกพร่องกามันดีเรื่องจงโอนไปก็ต่อพัฒนาพัฒนาคือสร้างความเจสร้างความดี แต่หลักการวัฒนาที่พวกเราได้ยินได้ฟังมีการวัฒนาสี่ระบบพัฒนาการเมืองพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมย้อนผวว่ามันไม่สมบูรณ์หลักการเนี่ยไม่สมบูรณ์ ไม่กล้าว่าเป็นแนวเย็ดของใครของคณะใดที่โคษขึ้นให้มาเป็นหลักการผู้หลักผู้ใหญ่บางทั้งบางข่าวโคดมาตามสื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้การพัฒนาที่เป็นหลักการทั่วโลกแต่และประเทศเขานำมาใช้กันแต่พวกเราพัฒนาสีระบบ พัฒนาการเมืองพัฒนาการกศาึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมหลวงปู่ว่าน้วงปู่น้อมเอานักศิลปธรรมมาเป็นเครื่องวาดนะเน้นถึงหลักิลธรรมมาเป็นเครื่องวาดการพัฒนาสระบบไฟจรวดที่จะสม บ, บวรการพัฒนาต้องพัฒนาหา เหมือนมือของพ ว, วกววเรานระนามีสิ่นิ้วหรอมือพวกเราเฮ้ยข้างหนึ่งมีกี่นิ้ว5นิ้วนั่นแ่ะหมายว่าเอาข้างเดียวห้านิ้วแล้วจะได้อะข้างมีสีนิ้วได้ไหมได้แต่แม่ต้องบ่นใช่หรือเปล่า ถ้ามีห้านวก็สมบูรณ์เลยทางการพัฒนาเนี่ยวควรจะพัฒนาห้านระบบน่นาจะทาความเข้าใจตรงนี้เรีย่ยที่พัฒนาที่จะสมบูรณ์พัฒนาจิตใจพัฒนาการเมืองพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนา ก, การออกลมในวันนี้ตองน้งปู่มาเป็นผู้ให้ความรู้การพัฒนาด้านจิตใจเอาหลักศีลธรรมมาเป็นแนวทางคำว่าเอาหลักศีลธรรม มาเป็นแนวทางเนี่ยย้งตรงนี้ให้พวกเราเข้าใจว่าสถาบันที่สมบูร์สถาบันขึ้นหมายราะว่าความรู้จากสถาบันการศึกษานะในโลกอันเนี้ยไม่มีสถาบันใดจะมีความรู้สมบูรณ์แบบเหมือนสถาบันกุรศาษาตา และจากนั้นน่ะหลวงปู่ยุงเอาจะาาบาันพุทธศาสตร์หาที่เป็นศิลธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มาชีรร้นำมาอบรมพวกเราทุกท่านฟังแล้วให้พ่เอเราครอบป้อคไม่ใช่รูโลกความไม่ดี มันจะไรารู้เมื่อเรารู้ว่าความไม่ดีนั้นเป็นลักษณะไหนสรรพัาน์อันยานี่ขึ้นที่ว่าความไม่ดีไม่ดีอะไรต่อไประดับนี้แล้วนะผ่านการ ศ, ศาึกษาอายุของพวกเราระดับนี้ต่ำแน่ระดับนี้แล้วขึ้นยี่ว่าไม่ดี ไม่ดีแบบตรงไป น, นี่คือสัญญาณแล้วอีก <c oughs> จัตหนึ่งว่าความบกพรองค่าบกพร่องน้อยเสียหายน้อยไม่ดีน้อยเสียหายน้อยบอกพ่อง ม, มากเสียหายมากถ้าไม่ดีมากยิ่งเสียหายมากและดังนั้นก็ คำว่าปกคล้องหรืสอสมบูรณ์ไม่ดีพวกเราให้ศึกษาอธิยานุญากหลักสิ่งดำเพราะหลักสิรร่งดำขั้นสองของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกวาลูกด้วยหูเด็บตาเด็บมีญาณหยั่นโลอายุตัวใหญง พวกเราที่ผ่านการศึกษาจากสถาบันมาระดับนี้ยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าใจของมนุษย์คนเราหรือใจของสัตว์ทุกประเภทในโลกมนุษย์เนี่ยไม่เคยตายไม่เคยแตหลายแษาเรา มันตายไม่เป hey ิดใจใจตรงนี้ไม่เคยตายแกแต่ไม่เคยเจ็บที่พวกเราศึกษาจากสถาบันมาจบก็หลังเนี่ยใครสอนเรื่องนี้สถาบันหักวิชาการไหนสอนเรื่องนี้เอาพวกเรื่องปีกไก่ยิงแบบโค้งหน้าจ่าหมาก บนเมจริงบาเมีจริงนรกมีจริงสวรรค์เมจริงสถาบันที่พวกเราศึกษามาสถาบันไหนสอนให้พวกเราเรูยนรู้ตัวตื่นตัวเลยแล้วดังนั้นเราเชื่อเถอะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนว่า มนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยบุญความดีคือบุญคาดวงเกียิดวงใจเรามาเกิดเป็นมนุษย์าความดีน้อยบุญน้อยเกิดขึ้นมาฐานะพกยากลบากตรมเกิดขึ้นมา ความสมบูรณ์ในโรคร่างโรคสมบัติเขามันไม่สมบูรณ์โรคด่างเขาบอกวา่าพวกเราเคยเห็นไม่นใช่หรือคนลหัวหัวตาบอดแขนบุดขาดโอนห้อยเปียกเจียขาพวกเราเคยเห็นไม่นใช่หรอลองนึ ก, กว่าสาไทยถามก่อนไอ้แก่เกิดมาลักษณะไม่เกิดมาตั้งแต่ เ้ื่อตอ น, อนอาการใหญ่จะเกิดมาเป็นใหญ่เล็กต้องถามก็ถามผู้เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเขาอยากให้ลูกเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเลยลองตั้งใจดีๆตั้งทิศดีๆลองถามเขาถามภาษาใจถามภาษาความสัมฤทธิ์เนื้นนก รู้ต hmm. ามความเป็นจริงว่าโอ้โหลูกเป็นพ่อเป็นแม่คนนั้นอ่ะเขาไม่อยากไป็ลูกเขาเกิดมาเป็นแบบนี้แต่ทําไมอ่ะลูกเขาเป็นอย่างนั้นหรือถามคนนั้นน่ะที่เขาบกพร่องด้วยสมบัติแขนขาหูตาอวไรว่าทุกสัดส่วนมันบกพร่องแขนกดขาด้วนห้วยเที่ยเสียตามถามเขาว่าเขาเกิด มาแล้วต้องการรัตนาตนี้เกิดขึ้นมาเขาจะปฏิเสธกันดีเลยอันนี้เป็นเครื่องบมบอกว่าททเทวาราชุเจ้าสอนกามันบาปเขามันมากบุญเขาันมนน้อยไม่มใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะตรงนี้ ให้ศึกษาทำไมท้าความเป็นจริงลักษณะเนี่ยไม้เคยยออ้อนมาดูพวกเราทุกท่านทุกคนเนี้ยมันจะแตกต่างกับคนที่พวกเราเคย เ, เหอนอยเยเย็นนะนหน่อยเปียเสียขาแขนตดขาด้อนหมูหัวตาบอดพวกเราจะได้ดูวงใจเรา โคมแก้วพ <c ười> ี่น้องท่านว่าบนคือความสมบูรณ์ในรูปร่านพาพวกเรามาเกิดถึงจะไม่สมบูรณ์ถึงที่สุดเป็นผู้ชายหล่อเหมือนเทวบุตเป็นผู้หญิงสวยเหมือนเดวดา ถึงจะไม่ถึงจุดนั้นควรจะภูมใจลกปูไปถามภาษาใจกงปูไปดูผู้ชายอะไรอันนี้ยังไม่ถึงกับหล่อกขาจะไปแต่ถึงขนาดนั้นน่าภูมิใจน่าภูมิใจว่า เราได้รูปสมบัติกับพความดีอันสมัวรที่เราดีความเชื่อมั่นจากท่านผู้มีพระพุทธบอกเตือนสอนแล้วอย <c oughs> ่างสัมยงพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ว่าใจของมนุษย์คนเรานะั <c> ้น <oughs> มันโตเองไม่ตึดมันโตยากไอ้ความไว้ใบเนี่ย ถ้าโตทั้งร่างกายด้วยโตทั้งจิตใจด้วยตามธรรมดาคนใหญ่โตขึ้นมาแล้วพูดคำนี้ไม่ผล น, นะมันไม่ทะเลาะกันไอ้ที่ทะเลาะกันนี่ยนะภาษาจนเ็นอดวาเหมือนเด็กเรียนฝาดจแบบนลวกรอเปล่คจะกับคนหรือเปล่า คำว่ า, าสาระกับคนอื่นคนในใ้คิดหรือใครแม่บ <c oughs> ้านเคยเจอเราเป็นแม่บ้านรึเปล่ผู้หญิงย่าตอบแนนะ <c oughs> นี่น้างปู่พูดมาษาไใจน้องปู่เป็นลูกภาษา แต่จะได้ถึงยังไงยังไงไม่ต้องสงสัยสุเนียที่หลวงปู่ถามหลวงปู่ไม่ได้สงสัยเลยทำไมจึงไม่สงสัยหอนเข็ดที่เห็นเกิดความเกิดความหลงลักษณะ น, นั้นเริ่มเรื่องเริ่มตัวเริ่มฐานะจากสีมันเหเหตุตรงนั้นน่ะพระพุทธเจา้าสอนว่า มันมีอารมณ์นะอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความโลภอารมณ์ควมมันมีอยู่ดีใจนอกจากอารมณ์โลภโกรธหลงแล้วอารมณ์ของตัณหาความเคยุ่ยประยานใหญ่นีสามันต้นเดาไม่ได้องมีใครในบรรทุกคนทั่วโลกมีอย่างนั้นนะตัณหาพระพุทธเจ้าสอนกรรมมาตัณหา ถ้าว่าสรรหาความอยากได้ให้ีชื่อเสียงเกียดียศศัสีความดีความอยากต้องการเนี่ยมันมีด้วยกันอย่างนั้นเห็นนั่งใหญ่เบนไปเลยหลวงปู่พวกจอจะพวกคนต้องต้องเลือย่างนั้นมีอารมณ์่างนั้นแหละแต่ในนี้อ่ะมีเป็มที่เนี่ยมีถูก ม่เป็นประโยชนถ้ามีไม่เป็นมีไม่ถูกตรงนี้มันจะเป็นโรคย้ำลงมาตรงนี้ปกความสั่นเนื้อ <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> มีระบบสอนให้อยู่ในขอบเขอยู่ในระบบถ้าเบื่อเป็นไปนได้ ทำได้จะดีที่สุดคือปัญหาในแคบแต่ไม่ดีนปัญหาในชีวิตปัญหาในหน้าที่การงานปัญหาในครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติบา้านเมืองพระพุทธเจ้าวางเป็นระบบไว้นะเป็นแนวทางวางเป็นระบบไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดตัวอย่างพวกเราเจะ <c oughs> เคยได้ยินได้ฟังพระท่านอบรมเรื่องศีลห้ารหรือเปล่าความนึกใจมาศีหาลห้าพระพุทธาจ้าผ่านความนึกใจตั้งใจดีตั้งจิตดีทั้งใหม่พระพุทธเจ้าผ่ยยาน มันเหตุผลว่าสมบูรณ์มอันนี้คือระบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่าไปร่วงเกินอย่าไปทำเพศระบบระบบนี้มันจะกลายเป็นระเบียบวินัยคาว่าระเบียบวินัยระเบียบวอนัยเนี่ยให้จบในระบบที่เป็นเส้นทางสร้างนิสัย ให้เป็นผู้ดีอย่างพวกเราเป็นเจ้าหนี้เป็ น, นตำรวจระดับไหนแล้วก็ต้องการตัวเราเป็นผู้ดีอย่างคนหน้าพวกเราเนี่ยต้องการท่านเป็นผู้ดีถ้าเืิดวันไหนเวลาไหนจะเมาโมดีโมดามอย่างนั้น ถ้าพวกเจ้าไม่ว่าอะไรอ๋อได้คนาหาเราเนีความตั่งเรื่ังนที่ใจเลยนะแล้วไอ้จอมลาวเพราะหน้าเราเป็นคนดีไ ม, ม่ความสั่งเรืของเราหรือหรือท่านมีความตั่งเร่ตัวเรื่องนี้ได้ท่านมองเหน็นพวกเราทำ ง, งา น, นในใต้พระปัญญา นิสัยของพวกเราในลักษณะนี้นนมีค่านิยมตามยก ต, ต, ตามสมัยแบบค่านิยมตามหมู่ตามณะนะโดยไม่เคำนึงว่ามันผิดระบบมันผิดระเบียบที่ไหนเราไม่ได้คำนึงเราคำนึงแต่ค่านิยมถ้าเกิด พวกเราเป็นลูกผู้ใหญ่ถือว่าเออเนี่ยการดื่มการกินการเดินการเที่ยวเนยมันเป็นของธรรมดาถ้าไปเข้าใจอย่างเนี่ยหลวงปู่ว่าความคิดเห็ น, น, นเนี่ยยังบอกว่าให้ศึกษาตามหลักการไว้คือยึดหักความดีที่ถูกยึดหักความถูกที่ดีเอาไว้นะจําเป็นไหมไ่ในแนบวบ ระบห้าข้อที่ว่าชาวโพลสิทธห้าเจตค้อเจตค้อเนีจำเป็นไหมพวกเราจะไปร่วมเกิดน่กถึงตงัวมีอ่ะจำเป็นหมถ้าตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆ จ, จำเป็นไหมถามย้าตรงนี้ต่งางๆตกลงต่างนึกว่าเนี่ย ข้อหลวงปู่ศึกษาด้านจิตใจอำนาจของโมหะความหลงอัจิยความไม่รู้ที่เลตัญหาเนี่ยมันมีในใจที่เลตัญหาประเภทเนี่ยพาจิตของเราจิดพาใจของเราจิดเช็กลู้เข้าไปถึงการว่าไปทำอย่างนั้นน่ะปัญหามันจะเกิดตามหลังมา พอจะรู้ตัวบางท่านบางคนตัดส่วนปหาเนาะพอจะรู้ตัวยกตัวอย่างที่พวกเราดูข่าวฟังข่าวเนี่ยบางท่นบางาวตัวเองก็ไปดูไปตัวแต่เจ็บอยู่ยิงแม่บ้านตายหรยิงตัวเองตายหนึ่งอันทำไมถึงมีอารมณ์ถึงขนาดนั้นความตันเลย ถ้าว่าตามสื่อตรงนี้เขาบอกว่ารักคนเอ๊ะรักคนเป็นยังไงซึ่งแกตั ร, รักคนขมรกเดียาไันเดียวามัเียเรเอมนก็โผลแล้วมาเก็บ หป็นเวเองเป็นัวเงการะิดอกวนแล้วลแต่ตนั้นห่วงหวงตรงนั้นก็้ปูเกอันนี้อันนี้เราเกินไปตรงนี้มันผ yeah. yeah. ิดตรงนี้หายปรับความันเลยสมมติว่าอันนี้เดี๋ยวเจนวันนี้จะไปหายจริง แม่บ้านยังว่าไงปล่อยแม่บ้านคนไหนที่เก่งั้นออกนี่มันปัญหาอยู่ตรงนี้อเดียวเดียหรือเราก็เถอะแม่บ้านนี่เจอเดี๋ยวเย็นเนี้ยแค่จะเล่นกับจิ๊กาต่ผู้ชายคนไหนดีเดียวมี่อีกคนอยู่นี่ลองลองไปแดนเลย คนรู้สึกตรงนี้มันต้องกัวรัวแล้วขามใจผู้ชายต่างหากถ้าผู้หญิงิดว่าเอาที่เธอจะเจนทีเห็นจะไปเล่นกับจิ๊กถ้าแบบมั่วน่ะเออแจกไปเล่นกับจิ๊กฉันก็ไปหาจิ๊กเหมือนันเวลากลับมาต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันพูดภาษาพ่อบ้านแม่บ้านได้ไหม แล้วแต่ถ้าเผื่อมีลูกที่ะทะไรอย่าเงี้ยอันนี้มันคังเพราอันนี้ตันห่าความหมายนะที่ว่ามันมันจำเป็นหมายถถ้าเผื่พวกเรามตั้งใจตั้งไป ส, สิ่งเหล่นี้เมื่อทาไปแล้วมันมีปัญหาอันนี้จีบว่ามันไม่ ควรไหมเนี่เราอายุขนาดนี้หน้าที่ขนาดนี้ควรไหมก่ไปยินดีกับว่ามไม่ดีถามก็มี้ต่างหาถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายให้รู้จักหน้าที่รับผิดชอบแล้วเทนั้นแ่ะอันนี้อะไรพาเนื้ออะไรพาเทศไป อันนี้หลักขัานตอนในพระพุทเจ้ามันอันนาจของโมหะคงหลงนะหลงในทางที่มันมันผิดว่าเป็นของมีควรทางที่ไม่ดีกับว่าเป็นของมดีเดี๋ยวนี้หน้าตดวจำเมตหน้าหน้าเป็นห่วงมากเลยเ ร, เรื่องเค ร, <c oughs> ร, ร, รื่องเศษเจ็บเนี่ยเกิดเกิดเกิดเ นอกจากเราแล้วมีอะไรพวกเรอไปเช็คไปดูไปสวดเป็นห่อปงประญาชนชาบ้านนอกจากเราเรามีอะไรการการมาว่าอย่าบ้ายาบ้ายาไอ้อไอชื่อไอ้กี่บ้าอกะไรน่ากวกันเนาะ <laughs> ชื่อมันจะบ อ, อกไปยุดี๋ย <laughs> วมันไม่ใช่แต่ตรงมี้นะแล้วพวกเราไปลงก่อน ถ้าเพ in ื TS ่อใครเคยรอเงินลวงปู่ขอเอเป็นป่อตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆชื่อมันจะบอกอควรไหมเนี่ยถ้ดับนี่แล <ciones S 2> <mission S 2> ้อยากเห็นเจ้าดรอปเป็นเศษยาบ้าองลองลองดูแต้ไดบอกวชื่อเมันจะบอกอยู่แล้วป่า อะไรมันจะเร็วกว่าในโลกมั น, ม น, ม น, ม น, ถ น, นรถเนี่นนมันทั้งหญิงทั้งชายนี่ยแหละจิ๋วยาอะไรจะเร็วกว่าป่ะถ้าเราตั้งสติได้เนี่ยพวกสตกิตั้งสติตั้งฐางนะเดี๋ย้องปูุมาอารมพวกเราคนนั้นไปน้องไปงกไปโลไวโลไปไหลเป็นน้องเรางนั่น เราม่เก็บติบกบีแล้วมองจอละหกเี้ตัวออกเหล่าเรือยล้วม่เกติบกบีเลยแต่เรือถ้าว่าไปน้องเป็นน้องกราได้สบายเลยบางคนจะเป็นรูกหลับใบใบูกับแล้วเป็นห่วงตรงนี้นะครับผู้จ่าภาษาใจรูปปัญญาโดยเฉพาะหลวงปู่ศึกษาจากสถาบันผู้โดยสาหาเห็นคุณค่า เอปัญหามันมีมากมีน้อยด้วันเนี่ยปัญหามีมากมีน้อยอมั่นไม่ไ้เกิดจากอึดนนเกิดจากในสิ่งที่พวกเราเนิบไม่ถึงเนิบไม่เห็นว่าสิ่งมันเนี้ยไปมีค่านิยมแล้วมันจะมีปัญหาถ้าเรานึกได้ศึกษาอบรมนะทางหลักสินธําเนี่ยแล้วบอกว่าท่านโพธิหาน จึงใช้คำแจ้ไขายตามระบบกันนบกระเบียดที่ไหนกระเบียดไหนเราจะเข้าใจควาหมายว่าก็ะเบียดที่ไหนกนดกระเบียบเพราะระบบที่ท่านพูรู้หามเนี่ยหลักศาสนาเป็ว่าสิ่งห้าสิ่งห้าข้อนั่นกนะารทาก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ถูก คือควรไม่ทร่าฉะนั้นนะท่านหนึ่งฆาอย่าเป็นฆ่าจริยาแห่งการค่าไม่เหนือนลเทธิอื่นศาสาสนาอื่นลัทเทอือนศาสสนาอื่นละบางลทัทธิบางศาสรศาสนาก็สอนกีชที่เพื่อพระเจ้า อ, อันนี้มันก็ เ, นเหนือเกินพีชที่เพื่อพระเจ้าฆ่าตัวเองตายเพื่อพระเจ้า อันนี้มันมันเป็นระบบ <c oughs> ที่ไม่ไม่ควรจะนำมาขณะหนเสริมกัน แ, และข้อที่สองระบบข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าห้ามฟังเหตุตับผลนะการรักจริงวิ่งราวบนจดงโจนตีรักเล็กขโมยน้อยถ้ามีลักษณะ น, นี้มีมากพุ่นไวามากลีกนา ระบบข้อข้ามข้อที่สามถามบวกเจ้าว่าีไห้สอนลูกห้ามอะไรเรวตั้งใจดีๆเนี่ยถ้าเกิดเมียแม่บ้านเราไปบอกวุิงพวกเราคนเดี้วเราจะทำยั มาคือคือผมมีการตั้งใจตั้งใจก็เพื่อให้มีคนจับเยอะกว่าอะไรคนอะไรไม่ควรอะไรสิอะไรเกิดเรื่อที่เราปลูกฝังเร้ถ้าเผื่อเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเกไม่ได้ตรงนั้นนะเรื่องของเรื่องแว่าตั้งใจตั้งใจมันมีคน ถ้าเอาคำพูดคำสอนลงตามมามาสอ น, นพูตรงเนี้ยูยิ่ ง, งนนะเอ่ยยิ่งขัดนะเคยได้ยินลุงตามราศลงตามบตาบวสอนย้นยิ่งเเคยได้ที่ยืนไ ม, นไม่ท่านพูดเรื่องในข้อตามเรนนะมีมีหลายคนมีผัวหลายคนยนะไม่เคยปา่เลยอ บางบางชาตะเทศ น, นะขั้นพูดภาษาคนจริงออกมาเนี่ยนะจะตมีหลายคนอะไรอผู้หญิงมีหญิงัเดี่ยวมืนกันเลมีุมสงนมเหมนกัยคนที่พมาหญิงเดียวกันอันนี้ขั้พูดภาษาคนจริงมานะ เ, เ, มนนเมตือ น, น ม, ออ ม, น ม, นมาบอก เรื่อนนะเรื่อหนไหนต้องีค่อยขอร้อเยอะกว่นี้ด้วยเรื่องหหนฟัคอันนี้านพูดภาษาใหญ่ภาษาพรอหลวงพ่งพ่อม่ต่างอะไรหรอหลักขั้นตอนนั้นว่าสันติเงินให้ยินดีรมีรำได้ในสิ่เี่ยความจริงมีอยู่ในอด เราใช้ในสิ่งที่ถูกเราใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนั้นคือมันไม่เกิดพุกขเกิดโทษเกิดปัญหาตามมาจอี้เดียวยวนี้กกยัยงปัญหาที่มันไม่มีความสมองอบอุ่นในชีวิตไม่มีความสมองอบอุ่นใน ค, มมอนในครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติดั น, น โดยแต่่าเรามีพ่อบครัวแล้วไนะม่ใช่ว่าที่มีแต่แม่บ้านพ่อบ้านส่วนมากพ่าต้องมีลูกทนไมไมนใช่กบลูกคนนั่นอะ่ะถ้าเกิดพ่อแม่มีปัญหาผู้เป็นลูกจะทำยังไงอ่ะพ่อแม่ทะเลาะกันอยู่เลย โลกได่เห็นได้ยินด้ฟัโลก็นมีความรู้สึกไหนตั้งใจดีๆตั้งใจสดีๆเราแค่ได้รู้ว่าความปกป้องของเราในสิ่งเรื่อมันบกความอันนั้นอ่มันปิดมีอะไรเป็นเรื่องอันรระบบที่พระพุทธเจ้าพามาีว่าสิ่งห้านั่นเนงองนั้นปิดเสียงก่อนน้นก่อนนานก่นอนนานนควรมัหาย จำเป็นไหมหย๊ะเอาตรงนั้นตังค์ถ้าไม่จำเป็นเออนี่มันเป็นอำ น, นาจของอารมณ์โฉดเกินอารมณ์โฉดเยอะมันไม่มีขอบเขตอารมณ์โฉดที่มันมีขอบเขตอ่ะเรื่องัหาทั้นเปียกเหมือนว่าความอยากของปัญหาปัญหาความอยากทัานเปียกเหมือนก่อไฟขึ้น เราก่อไฟ้นเราเชื้อเพิ่ให้ใส่ไฟให้ไฟมันอี่มนะมันเป็นไปได้หรือเปให้ไฟมัอิ่มเยอจะเป็นเชื้อเพิ่มไม้วัตถุหรือเชื้อเพิ่มน้ำมัจะขนมาขนาดนี้อาเทให้ไฟมันลุกให้ไฟมันอีกมันเชื่อเพิ่มันเป็นไปได้ั้มไม่มีทางเลย ใจไฟมันอีกไม่เจอแลราจกนั้นละนน่ะข้าจะเห็นเลยว่าไฟมันมีประโยชน์อยู่มันมีร <c oughs> ะบบการควบคุมควรใช้อยู่ในลนักษณะควรใช้ลักษณะไหนอาศัยความร้อนลักษณะไหน อาสายแสงสว่างลักษณะไหนขนาดไหนมันมีข้อเกียรติทุกมันนะเรานํำไาใจช้มันเป็นประโยค์มันก็เกิดประโยชน์เพราะการใช้ถูกถ้าใช้ไม่ถูกก็อย่างว่าพอนแล้วแทนที่มันจะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษควรอย่าของพวกเราแบบเดียวกันเราจะนั้นถ้าอาใจควรอย่า แรงนี้ของที่เด็ดแจงนี้ของตสนาอย่างที่ว่า น, นี่ถ้าไม่มีขวาเกอะไรถ้ามีขวอเก็อย่างที่ว่า น, นี่น <c oughs> ความรักเราเนี่ยค่าไม่รวมแบบโลกโลกหลงปูกฟันถ้าผู้ชายรักยืดมั่นแต่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวข้าวสาลรัก เด้ย๋ดยวกูหญิงรักผู้ใหญ่คนนี้คนเดียวออคอยแนะ่คอยบอกคอยเตือนเตือนไม่ฟังบอกไม่ฟักงกทะเลากันจนเป็นที่สุดทำลายกีฬาการสะพอนหนักคากนะละคนเดียวนั่นะมันเป็นสิ่งที่สุด้องแ้วทั้งไมให้ระดับสูงไปเสริมเตือนทำไมไม่เสริมด้วยทางที่ถูกมันเป็นสิ่งที่ละี่ถูกต้องแน่คที่อนนขอเก ของสิ่งดำหรือขอเจ็บของคนหมายแล้วคนหมายเลยดยเฉคนหมายเลยคนหมายแบบเป็นได <c oughs> ยรายการที่ได้เป็นไทยเนี่ยก็มีแต่งเมยได้กี่คนแต่งผัวได้ที่ที่ผักี่คนนะ <c oughs> คนเดียนหมายนีอบอกแค่ตรนเ <c oughs> เออ ไปยิ่งกินทางเลยยิ่งชัดอยู่แล้วแต่ทีนี้เตือนพวกเราตรงนี้จะหากบางทีพวกเราอาจจะกล้าคลั่งเผลอไปมันจะติดเป็นตัวหนึ่งแล้ปลุกปั่นถ้าพวกเรายอมรับแล้วจะเป็นเร่อข้อ3 4, ข้อ4ข้อ5ถ้าแม่บ้านใครนั่งฟังเนีเยก็จะตายูวเหลังยกมือรหัวเลยเอาจริง จำเป็นไหมไอ้ที่เนี่ยที่เราไปปกเกือกก่อนนะครับไม่ว่าแต่แม่บ้านหรือว่าเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ยังจะอเก็บความสุขบางพวกเราจะจะโง่ใหญ่ถ้าเป็นแม่บ้านที่ดีต่อไปจะเป็นแม่ที่ดีต่อเป็นพ่อที่ดี ไม่ว่าจะพอบ้านแม่บ้านหรือลูกู้เลยขนาดของหน้าก็จะโกลกาเนี่ยนัานจะคกไปไเลยอันนี้การได้กินในกาปรปลุกความดันนึกออกโยนทางถึงทเดีว๋วเ้าสู่ความหมายแต่ว่าระบบระเบียบวินัยระบบเคยสิ่งที่ถูกตอความเป็นแนวไว้ ภาษาทางหลักสิ่งธรรมอบริสิ์ห้าอย่าไปร่วมเกินในสิ่งที่หลักพระเจ้าห้ามห้ามการฆ้าห้ามการรับกิ้งวิ่งเล่าโผดลมโโจมชีห้ามปิดจารีบแต่เมียนิ้ดานเนปัญญาไรเหยียดประประุปะจดีาอย่าไปร่วมเกินตึงกันเลยกันห้ามโกหกหลอกลวงพูดโกหกหลอกลวงห้ามเดือ เวลาในไหนยาติดโดยเฉพาะแล้วร่วมเที่ยงสมัยเนี่ยสารเสพติดบางอย่างอย่างที่ว่าบางอย่างสารประเภทนั้นชื่อมันจะบอกอย่างเวบ้ายาบ้าชื่อมันจะบอกอย่างเวนะการศึกษาทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่า จ, าจบปอเสีเหมือนเรปนงปลูกสมัยก่อน ต้องจบมต้นมอไปนักหนักเขา้าเุ็นเข้าปริญญาจบปริญญาตี่ปสอมหนักวาการศึกษาเหมาะสำหรับที่จะาาจพัฒนาตัวเองทำการทำงาน ก, กับกระทรวนทุกนความคไหนสามาถความรู้อยู่ในปริญญาตีขึ้นไปแล้วยอมรับศึกษาล่มาถึงขนาดนี้นะควรจะ เอาความรู้ผลการศึกษาเนี่ยมาหรือเป่าควรไหนจะไปทำแผนที่เป็นระบบที Death ่เปราบุปรามชาติโดยเฉพาะอารยาบ้าชื่อมันจะบอกเรียบร้อ้าตั้งใจดีตั้งทัศนคติดีแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนไปความต่ำเลยสิ เราเลเพาะตัวสิ่งตูกอย่างมาฟังตัวผู้ดำพูดมันเป็นสิ่งที่แไม่เหมาะให้ควรแก่ฐานะหน้าทีา่มันไม่เหมาะให้ควรแก่ควรเป็นสมบัมติมนุษย์สมบัติมุญพามาพวกเราอาศัยควเป็นบุญควจมวสมบูรในโูกหลัฐานต ศีระอวอัยวะภูษาส่วนวัชีสมบัตบิคาพูดมโนสมบัติคือจิตใจควรจะรักษาสมบัติสามอย่างไว้ทำประโยช์สร้างประโยชน์ให้เกิดความภูมิใกแต่พวกคนผู้เราไปให้ ค, ความหมายไว้อย่างพวกเราอย่างน้อยไปให้คนหมายมีพ่อมีแม่ปู่ยาตายา พ่อแม่ของพวกเราปู่ย่าตายายของพวกเราทราบว่าเราเป็นผู้ประพฤติชั่วอยู่ในข้อเกีตของถิ่พ่อแม่แปู่ย่าตาตาทุกขหมดกินดีแบบนี้ญญาาใหญโดยเฉพาะผู้มีพระคนเกิดอย่างนั้นพวกนั้นเห็นพวกเราอยู่ในข้อเกีรตของความถูกต้อง ขอเกตของกฎหมายกฎระเบียบบทเรนจากสิ่งที่มันเป็นทุกเป็นโทษมองเห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติคอคัวเราจะได้มีความอบอุแม่บ้าน ก, ก, า ก, กนจน็จะได้มีความอ่ลูกกี่คนกี่คนก็จะมีความอุนีกนรารจบความสำาสหรับสิ่งเทียวพวกเราควานเชื ค, ควรทำฟวงเข้าจาัดตามหน้าที่ของพวกเราสิ่งที่มันทำได้ยากข้างในจึงมีว่าระเบียบไปไหนระเบียบไปไหนไปถ้าว่าระเบียบไปไหนเนี่ยพวกเราเคยได้รับการอบรมจากผู้มีพระคุณ ถ้ามาอมพวกเราท่านอบายพวกเราเข้าใจได้ลักษณะไหกระระเบียบหมายอะไรวิัยหมายอะารพวกเราก็จะจำนี่ากระระเบียบหมายถึงลักษณะไหวินัยหมายถึงลักษณะที่พวกเราพูดยระเบียบวินัยระเบียบวนันูมาอธิบายให้พวกเราอบรมพวกเราเลานอธิบายมถ้าไม่ได้อธิบายเดี๋ยวหลวงูจะอธิบายให้ฟังนะถ้าได้อธิบาย มีก็ควรที่ไแล้ววะแลผมก็ได้ผ่านไปอาิตมาังนมามามาีมาจ้วกมาทังกันทำกันบวกนมาทำมามาเออนั่นแหละคงง่ายที่สุดไม่ไ้่ได้ทำเลยไม่ได้เลยไม่ได้ทำก็มามา อบรมกัจงจะมองแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าหน้า บ, าบ ก, าบกไไหน้าเบียดวินัยทำไมครับบาหนียดวนัยเนี่ยหลงู่พลังถามว่าท่านหลวงปู่พระกล่นเคยมาอบรมพูดถึงระเบียดวินมีท่านผู้ใดเคยจด้ที่บายให้ฟังคำว่าระ้าเบียดหมายงไห พี่นายไมควายกันน่าันั่นล่ะว่าถามเนี่ยกรีจะมีทีต่อลมาแล้วไม่รู้จะดิ้ไวไหนถแล้วันอีก้าแตมไรเนันละแตาอย่ให้ความความรู่ผู้ดีกับสรจะสร้างความเจริญให้ประเทศชาติบ้านเรา พวกเราถ้าเบอทุกท่านทุกคนเข้าใจกันว่าักเบียบวินัยะเบียบวินัยเ ข, ข้าใจกฎหมเราจะได้นาจัดมาใช้กับตัคว่าระเบียบภาษาเราคือการบังคับระเบียคบคืการทำามราะเบียบคือการทำามคว่าระเบียบวินันยคือการบังคับ ก็หมายเราเน่ยจะเบี่ยนเบือนการทำตามท่านอาตงนี้ท่านอางนี้ต้องทาตามก่านอันนี้คือระเบียบคำว่าระเบียเบี่ยงเบือนการทำตามท่านจัดยังไงท่านพูดยังไงอย่างเรื่องระบบทางจินห้าเนี่ยจห้าอย่างนี้ท่านจัดในกฎหมวยตรนี้ต้องถึงระเบียบ ต้องทำตามวินัยเนี่ยคือการบังคับมันไม่อยากทํามันไม่อยากไปมันไม่อยากเกตมันไม่อยากโทษให้บงังคับมันบันาางคับทงนี้ดีเหมือนเราขับรถนั่งอย่างังวงอะไรยจะเป็นอะไรกันถ้าเผื่อไม่จำไม่เห็ น, น, หนว่าวินัยเราโอย่าง มันเป็นกระธรรมชาติของรุกอย่างที่เกิดเป็นประโยชน์เกิดความแน่นหน า, านมั่นคงได้มันต้องบังคับมั น, น, นอย่างเนียยของใช้เนี้ยอย่างแอร์หลอดไฟก็ไปแตะไปเย อ, อยู่ไหมอยู่มั้ยมันต้องมีอะไรบังคับมันไว้อะไรทุกอย่างเรื่อนท้าทุกอย่างนี่ยนะแคไม่แตะไปวางก็เฉยเฉยเลยหรอทำได้หรือแต่ ใช้ประโยชน์เลนอกจากใช้ประโยน์เป็นแล้เป็นไผและตนาการบางครับเนี่ยเพื่อให้เกิดความแน่นหนามันขดความหมายนะคำว่าพี่ไหนที่ไหนคือการบางครับตัวเองมาเท่าไหอย่างแนี้ยเออเนี่ยท่านเบียบท่านต่อนห้อยู่อย่เนี้ทําอย่างเนี้ไปอย่า ง, น เ, งนเนี้ยเรื่องกริลเรื่องาสนไม่อยากทาต้องมางคาตังไปต้องมาฆ่ามันทำ ตัวเองนะครตัวเองนี่นแหละถ้าบังคับได้ยากจำเป็นตัวเองนะพวกมีพวกคน <c oughs> นี่หน้าที่มีตำแหน่งคอยดูเราถ้าเตือนมาตัวตอันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรจ ะ, ระทำก่อนก็อย่างตามนา้อย่างน้อย่อ น, นแล้วบอกเธอ เกี่ยวันสิ่งของพระท่านจอนไม่ใช่หรือแล้วปู่จะศึกษารู้แล้วต้องบังคับยิริยามมาแยากของเด็มันไม่อยากทำตามบังคับมันทำตามมันเห็นคุณค่าแล้วนีน่นะยังไม่มาพูดให้พวกเราทุกท่านนั่งนับไปใล้เป็นประโยชน์จริง ไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหา่ากน้อยเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องหรือเรื่องใครมันเป็นสิ่งเรื่องอำนาจหลอกรวมจากอารมณ์ของกิเลสโลภโกรงมันเป็นอารมณ์ของตัณหาที่มันไม่มีขอบเขตตัณหาความอยากอยากที่อยู่ในขอบเขตความถูกต้องข้าพุทธเจ้าเมตตาขั้นโคตรู้ทั้งหลายเมตตา ขออยู่ในขอเ ย, เ ย, เยเเรตุ monk, นนร ค, วความเป็นต้นคนนี้และเนนี่อถ้าือพวกเราดีขอตรงนี้ในเหตุในผละเ่เราเกเห็นิความบุคลากรที่ลงูความวตนแรกอะพวกเราดีทุกคนแต่ความดี น, นั่นไม่มีตัวละ การ ง, งานพวกเราเป็นกันทุกคนแต่มันมาถูงผมยังมีมมความบกพรองความรู้ความเลาดของพวกเรามีทุกคนแะแต่มันมีนมนมความบกพราะฉะนั้นจุดบกพา่งตรงนี้แหละอย่าไปเอาอันอื่นมาเป็นเรื่องวัด เอาระบบจากกราถาทางศาสนาเรื่องจิงธารมาเป็นตัวเราจะเห็นในความบกพรองเมื่อเห็นความบกพร่องเราจะเข้าใจความหมายว่าเน้อเบียดที่ไหนอะไร่เงียปอดเเบียดอยที่ไหนเน้อเบียดถ้บบบบบบาเลยทำตามเอ๊ะเรมันไม่เห็นจะทาตามเลยต้องบังคับมั น, มนอย่างพี่นายบังคับบังคับมันอยากมันมันไม่อยากไปก็ต้อง บังคอไปมันไม่อยากรับต้องมังคับผมไม่ดับจริงจะเรียกว่าพวกเราใจหลับกาเนี่ยระเบียบไปไหนระเบียบเปเอาระเบียบไปไหนมันเป็นกา <c oughs> รฝึกเพื่อให้เป็นค่าราชการที่ดี <c oughs> ตามหน้าที่ตามตแหน่งตามการตามเื่องไม่ได้เสีย นอกจากไม่เสียหายกจะเป็นบุญเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นประโยชน์บุญคือพวกเราทำการกำงานมีความเจริตรบหน้าที่ถ้าขนความดีมีความเจริอยู่ที่ไหนระบบประเทศชาติบ้านเมืองก็จะบอกโดยเฉพาะ เลือกตั้งใหม่พวกเราฟังศัพท์ภาษาทางอิาเดออกไหมปรัชญาพญานะปรัญญาพญานี่ภาษาตปปษ า, า, นนะ า, า, า, าตมฉบับกำจังโกโอ่ว่นโอร้อมสมตะ ต, ตะละาตะเผามางโกโกตัวโอโน่ความหมายว่ะ กำจังโอโอร้องนมาแตกโอท่องมันสวยไปลกราดัข้าวนะมันก็ท่านจะร้องน้ำมันก็โอแก่แต่สบายมาสวยมาโก้โก้จริงมาโวราอันนี้คือผู้เคยมีแต่แหน่หน้าเท่มีหน้ามีตาหล่อเลาสวย แล้วทำไมาาไกีา้าต่างๆาซเชําเนี่ยจะสวยกวดนี่เป็นแฟขวที่ท่นเลือกทุกวันเนี่ยผู้หญิงหผู้ชายชออะไปที่เป็นปยชนอันนี้ความหมายาาาาว่ากีฬาต่างๆซึ่งม า, า, างโ้ชขวา โ, โอ๋อโน้อสวยขวดโอ๋น้องอเมื่อตรวจร่างัน ทล่ไหนไปเนี่ยโอ้โอ้ก็ขันขันโอ้โอขันเลยนะเขาไปขันาที่ขันจมูกไปยขันกรโงก็ขันไอเดียวไอเดลยวโอ้โอโอ้ขันเอพราะาได้ม่กี่มหมายแล้วเดียว ขอให้กความสัมรทธให้กำลังใจของพวกเราตรงนี้นะเรื่องเกำลังจะพัฒนาระบบทางรัฐบาลก้นมาใหม่สมบูรณ์การพัฒนาเนี้ยเท่าที่ผ่านมาเนียพวกเรานึืกได้ไหมว่ารัฐบาลลูกไหนยุกไหนเนียมีผู้หญิงเป็นนายก ไม่ได้ทำคืำแก่อน ป, ประเทศประเทไทยเรามีมีไม่ได้ไหนมีมีเมมม็เป็นคบบนะําแม่บ้าและวทีนี้ลงปูว่าตั้ผู้หญิงเนี่ยก้าน่าอินดีน่าตรงเฉยก็ส่วนมากก็จะมีความผิดซื่อสัสตร์ศิลิ์าตุเหลือเลือดระบบ เราเป็นรูกเราจะสัจจากความจริงเหตุผลที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศชาติประชาชนให้มีความเจริญก้กาวหน้าเึินพัฒนาพัฒนาเนี่ยถ้าพัฒนาในระบบที่รู้งปูกว่าพัฒนาจิตใจเอาหลักความถูกต้องคือหลักจริยธรรมนะริยอร ค่อยพัฒนาการการศึกษาเศรษฐกิจกสังคมถ้าพัฒนาเอาค่าระบบเมือมาเป็นแนวทางพัฒนาเป็นไปเพื่อความเจริญจะดีมันเป็นนันะถ้าทางความเข้าใจอ เ, เนี้ที่พวกเราพอจะเข้าใจที่ผ่านมามันจนมาก เรื่อความแตกแน่ถ้าเวลาเอาแนวเจิดเอาหลักถึงธรรมมาเป็นการพัฒนาด้านิตใจก็เหมือนนิ้วมือคงรอขานิ้วนี่มันเท่ากันไหมนิ้วนานนิ้วเนี่ยแล้วภรสาเมอกีันเนี่ยมันมีกำลังเอ่อาษมอกีมันมีมันมีกำลังเออ ถ้าไม่สามัคคีกันยเนี่ยอจ้อจะาี้แต่โคเจ้านี้เจ้านี้โคเจ้าหนี้ยุ่งต่หาเลยอันเนี้ยในตอคอยให้ความตระหนับถนนรัฐบาละจะตั้งขึ้นใหม่นะผู้หญิงจะเป็นนายกว่าเป็นยุคแรกสมัยสมัยแรกว่าประเทศไทยมีผู้หญิงเป็นนายกอ้าวลองความ ความกล้ามากมความรู้ความฉลาดของผู้หญิงดูสิผู้หญิงเขาจะได้โผมใจถ้าผู้หญิงคนนั้นเหมือนผู้หญิงคนนี้คนนี้คน น, ค น, นี้คนนี้นะละ่ะเขาจะได้โูมใจว่าผู้หญิงเนะี่ยไม่น้อยหน้าใรแต่ในเรื่องสิธของผู้หญิงนะคนยจะมีสิทธิเรียร้องในทางที้ถูกกวนี้ส่วนสิทธิของผู้ชายและก็ม่ว่าที่ผ่านมา ผู้ชายเปพูดบริาหารมีอำนาจมีตำแหน่งแต่ความสา ม, มารถของผู้ให่องผู้ชายเลยถึงยงอย่างไรอย่างไรว่ามันมันกลับหน้ากลับหลังกลับหน้ากลับหลังกลับซ้ายกลับัวาได้ไดะให้จักเสียให้เขียนให้กดดีกันถ น, นัดกับมกัน ถ้าเวามองผู้หญิงนาที่โอ้ผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่บ้านผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านถ้าพ่อบ้านที่ดีแม่บ้านที่ดีอยู่ที่งเข่งหงระบบของสิ่งทำเจริญมันจะเกิดเจินะครับมองเวลามจะเริ่มอยะเลยเน่มีใครจะถามอะไรมั้ยมีมีคนถามไหถ้ามีคนถามน้องพี่จะเปิดโอกาสให้ถาม เด็ดทำอะไร คือทำความเข้าใจทําความรู ầu, y, ้แจ้งในเหตุผลหลักการทางความเข้าใจรู้แจ้งเหี่ผลเหมือนกันรูปผูกผ่าวลมเลยถ้าเวลาพวกเราเข้าใจรู้แจ้งเหี่ผลตามหลักการที่รูปผูกผ่าวลมเนี่ยพิจารณาเราจะเข้าใจคือเหตุที่ทําไปแต่มันมีปัญหา ผลนอกปัญหาปัญหามากน้อยอันนั้ น, นผลจากเหตที่เราทำอันไหนที่ทําแล้วมันไม่เป็นผลเกิดปัญหาทุกใจตัวเองหรือคนอื่นอันนั้นอ่ะมันเป็นเอตทีด่ดีถ้าอันไหนเป็นเหตุทำไปแล้วมันเกิดผลทุกใจตัวเองหรือคนอื่นอันนั้นเป็นผลตอวิจัยพัฒนาคือทำความรู้แก้งเนี่ ถ้ารับ ก, การเรืร่งกายเวชนาคีธรรมข้าตามตำนานที่คู่พวกเราเนียนกายแตพวกเราจะเอารลกหนาาของเราเไปทาถ้าไปทำในสิ่งที่มันเกิดกัอย่างเดียวหลวงปู่ที่รัรรรบถ้าทํานสิ่งที่มันโผลจกายมั้ยรือปล่าเป็นทในสิ่งที่มันมันโผมันสบายใจพวกเราในส่งพกน้ใจเร่องประช เรปัิจาาแบบหน้าที่พวกเราชาวพุทธชาววัดถ้าวิจารนาแบบเข้าสูมาส่มรรคผลที่ผานขอให้มาแค่แบบระบุนี้อีกระบบหนึ่งให้เข้าใจความหมายของการพิจาาพิจารณาคือทําความรูแ้แก่เหตุผลอย่างที่ระบบรองพวกเรามาเนี่ยตรงสัญญา ถ้าทุกคนอยู่ในระบบในสิ่งที่หลักพุทธเจาห้ามเิจาราริมเรียว่าสิทธาถ้าเผือวกเราตั้งใจดีตั้งเป็นดีดเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำไปร่วงเกินระบบขีดลัพุทธจาห้ามสิทาพใดเนเราจะเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเ็เห็นโทษควรไหม เราโตระดับนี้แล้วมีตำแน่ระดับนี้แล้แม่บ้านจะพอใจไหมโค้ชของเราจะพอใจไหมเนือได้มันยิงได้มันปอจได้เอาน้องปูเป็นลูกผู้ชายเหมือนพวกเราทุกคนสมมติว่าเอ่อนี่น้องปูน้องปูน้ำเนี่ยเป็นน้ำเดาน้องปูเคยจาบไม่หมดมันเายจับไห นกปูจ่อ่ามึงไปกันแล้วาถ้าผมจะจ้างนงปูฉันน้ำเล่าเนี่จัดร้อยล้านนกปูจะโอ้ยมึว่าจะร้อยล้านแหมหมุนละแสนล้านหมุนลันึงบ้านแต่ล้านูกปูเนี่ยมันลูกผู้หายมันแต่งเป็นท่นใหม่มันมีความต่างเรื่องนี้ก็พอ มาไปก็เหยียบมันเป็นวมันแด้ตัเป็นทุกตามแต่นะครับทีไหนที่จะเป็นรูกเป็นตัวเราผู้เรียรู้แล้วไม่เอาอันนี้คือคุณค่าของการปลกความถึงนึกร้านใจให้เชื่อมันกับแขตผลมีระบบการควบคุมรวมถึงว่าการพัฒนา การพัฒนาเนี่ยสี่ระบบในทางการพัฒนาการเมืองการภาษาเศรษฐกิจด้านกองยงปูว่าไม่สมบูรณ์ถ้าเอาพัฒนาด้านจิตใจขึ้นมาเนี่ยเป็นห้าระบบเหมือนมือของเราเนี่ยมันมีห้านิ้วถ้ามีสนิ้วใค่ได้แต่ไม่สมบูรณ์จะพัฒนาสี่ระบบเหมือนมือนิสัยเนี่ยให้ได้ยอดแต่ไม่สมบูรณ์ ดัง น, นควรจะเอาพัฒนาทางดิจิทัเป็นพัฒนาภาคก็เลคือพัฒนาด้านจิตใจพัฒนาการเมือ ง, างการศึกษาเศรษฐกิจดังกล่าวการพัฒนาด้านจิตใจเหมือนอย่างเดียวขั้นพุทธศัพท์นัดนะพวกเราประมาณอบรมอันนี้เป็นการมาฟังการพัฒนาด้านจิตใจต้องปลูกไปปลูกมาอบรมการพัฒนาด้า ไม่ทำม่ถูกพัฒนาทางทาไม่ถูก ข, ขาดคูับต่เคือใครจะทำอะไรต่อมันจะตสองม <c oughs> รงปันป่นนะเส้นผูกกับเรื่องเจ้ากรนายเวรเราต้อไปกับอะไ ร, รนไอเจ้ากับนายเวรตัวเ <c oughs> <c oughs> นี้ยน่าคิดเด็ดทุกข้อนนะนะ่ะมันมีเจ้ากับนายเวร ก็เรื่องความดีกับความชั่วอย่างนี้พวกเราเดี๋ยวนี้กรรมหมายได้ว่ากรรมดีรักษาคุ้มของปกป้องพวกเราส่วนกรรมชั่วนันจะตามเราอยู่แต่เข้าถึงเรายังไม่ได้เพราะกรรมดีเนี่ยกันอยู่ถ้ากรรมดีของพวกเราที่บ่อนกำลังลงเมื่อไหร่กรรมชัว่วนะั่น่ะ ท่านมีก็กังตามทำอันนั้นแหะถึงเรื่อเงเหลื่อยกี่สายยว่ากังตามทำทา่านเปรียบเหมือนว่าหมามันไล่เนื้อหมาไาล่เนื้อมันตามอยู่นันแบบกลางวันกลา ง, งคืนมาาันก็ตามไที่ร่มที่แจ้ในป่าในต้นีนโคงในน้ำกระตาเนื้อแม่เนื้อเป็นมันตามอยู่มันแบบ แต่มันพันเมื่อไหร่เวลาไหนมันคันเมื่อไหร่มันไม่เรสถานเลยมาวนครับแมเมื่อไหร่มันจะเข้ากระโดดกัดีเลยพวกนี้นี้พวกเราเดี๋ยวนี้กำในกำฝ่ายทั่วตาพวกเราอยู่แต่กำเดียุบกอดกันพวกเราอยู่ จะได้กำเนียร์กำชู้หรือนาเพวกเราเรียกไม่ได้กินไม่ได้ฉะนั้นะ น, นะให้มีความมั่นใจว่ากรมนีผลกำเนียเนี่ย ค, น ค, นคนุ้มครองปกป้องร่างกายพวกเราถ้าคุ้มครองปกป้องทัางกายพวกเราไปได้ตลอดไอ้ส่วนที่พวกเราคนนั้นตายคนนี้ตายนั้นนะมันเป็นกีดส่วนหมืนมันเหลือมิจฉาเรียกว่าอายุการของมนุษย์คนเรามันควรจะจบลงเยียงแค่นี้อ่ะ กระทำใจกล่อเลือดแต่ถึงอย่างไงใารงนะใจมันไม่ได้ตายทีนี้เมื่อใจไม่ได้ตายส่วนกรรมดีมันมีเป็นวิสัยแล้วเราทําการทำ ง, งานมีโอกาสเวลาเสริมความดีให้กับกรรมดีให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มเสริมความดีกำลังดีเนี่ยกรรมดีเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอกาสําชั่วเนะี่ะ ก็ตามไม่ทับอ่าให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะผู้มีบัคคุณเนี่ยทำดีนะลูกตั้มลูกตัหลานพ่อแม่ปุถุญาณอาจารย์ผู้มีคะแนนนะที่อุตรนั่นดีนะโิดีนะโจแก่รบูมาให้กอเพชรเนี่ยพากันทิ้งดีทําดีเพื่อเอาผลกว่าดีเสริมเป็นการมีกัน กันช่วยอะอันนี้แต่งขาดงานามา่างในตอนคุณคระลขอต่การได้ไหเออาภาพที่ปฏิบัติสื่นในเฟสไหมไม่ตลองสื่อทำให้ีหิฉันไม่ไม่สาาัทผไม่ไม่อยากจะไปจากนหรืออยากจะทำบุญตะคักที่แห่งเจ็หรือกบริบบตโดยโดยทำกับตัวท่านเองหรือแต่แท แต่ทำให้กับวัดกาทนะคบแต่กับภาพเนี่ยขวายเงินไปแล้วก็ลงถึงสื่อที่ไปทู่ถืไปถือจะมันมันเป็นบาสนะใจ่จริงๆแล้วไม่เห็นตัดชารอยู่แล้วเ <c oughs> มื่อ้เห็นตัดชารอ่แล้วควรไหมที่เราจะไปเสมเสีันามสิ่งที่มีคุณค่าวาัดโบสถหวัดที่มีคานี่รับมีมีจากสีน่นะ ถ้าไปส่งเสิลักษณะนั้นก็แสดงว่าเราไม่จลมันเป็นโมหะความหลงเอ่อมันเป็นความโม่ความริแล้วมันเป็นสิ่งที่ให้หมองใน้ปวมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกเคนดอันนั้น่ะว่าไม่ควรแก่ไม่ควรจะทำดาไม่กเออไม่ควรแกนกนนไปถึงคเป็นรย เออเออน่นอไม่วรเราเลือกได้ก็สามารถเลือกได้ไม่บาปเาจะบาปอะไรยิงิ่งหนีเรื่อินขน้นรอะไรวการนั่ิให้กี่เป็นสมาธิง่ายครับตรงนี้ก็ะยานบาสน่ะให้อยู่ในระบบค่าอย่านมีความมั่นใจปัญหาด้านคคิดเนี่ย มันจะมีน้อยความกังวลความวิตกคกังวลความคิดมากคุ้มท่านมากเนี่ยมันจะเป็นสมาธิอยู่ก่อนก็เรียกอันนี้คือสมาธิแบบวา่าแบบหนาก่อนนะครับใพยายามอ่ะดูที่ขอบเขตระบบเที่อ่อย่าง น, านั้นเป็นโยตเป็นโยตไอ้ทุกข์อท ษ, ทษนี่จะมาต้านแนวคิดให้เกิดความคิดมากคุ้มท่านมาก เูสนมากคุ้ า, ากันมากอันนี้มันจะกลายถึงโทษเป็นปรปโยชเพราะการทำเรื่องว่าอภิสุบตกรรมวหวงมคิดทางน้ า, า จ, จิตใจมันจะติดที่ไม่เหมาะไม่หมดทำให้จ่คุณมกันนถ้าพบกมมากๆยาา็ยังเรื่องว่านี่ไม่มีทางออกเอาไปหาเราไม่เด้เ อ, อาเื่นแล้วเพียงพอจะหา ย, ยาบ้านจินเสรมบ้ากเราไ <c oughs> อีกตรงีนีเน่เป็น่วงตรง น, นี้ที่ขาด ถ้า เ, เราอยู่ในระบบาอย่างในสิ่งที่เราต้องเชื่อแล้ำตามหน้าที่พวกอก่าลืมเนี่ยมันจะเป็นสมาธิแบบธรรมชาติในตัวเราร ไ, มไม่ต้องตกไม่ต้องการลຽนอะไรทุกอย่างไปเรื่องเชื่อใจได้ใ น, นในหนูในคณะทา ง, งานหน้าที่หรือครอบครัวเราไว้เรื่อเชื่อใจได้มันเป็นระบบที่สร้างความสงบ สมาธิเป็นปอด่ตรงนี้ตรงนี้อัยานยึดระบบตรงนี้ไม่จำเป็นให้หยิกให้เลี่ยงไปอจเป็นไหมถ้ามันจอจเป็นไม่หมันไม่จเป็นอะไรเนื้ออะรมันเป็าย่องปอเหรือแล้วปุยอะรเมื่อเากับเขาหย